Thank you. ว่าเขาคือคนหักของห้งมาแต่โดนเธอคือจังนาดานนาทนแอบชบัดแอบบขอ้อขอบึงอียังกันตบมือคางเดียวสิ ด, ดังตีถ้าแฟนเธอบ่ ฉันเล่นเขาปฏิเสธปังก็จองสำนันแต่เขาบอกว่าา มือขางเดีวสิดังตีถ้าแฟนเธอม่งนีใจถ้าฉั น, นึ่งเขาปฏิเสธไปก็เจ้า อ, องค์นั้น